ฟังทำกันเนาะ <c oughs> ได้ยินได้ฟังเอาไว้บ้างเป็นบุญเป็นกุศลเยียวว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากบางทีอาจจะเอาไปใช้กับ เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราก็จะพูดเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะคือเรื่องที่เกิดกับป่ากับใจเรานี่อะไรก็เกิดขึ้นกับป่ากับใจเรานี่มากมายเกี่ยวกับของพาอากาศ <c oughs> ความร้อนความหนาวความเจบความทุกข์เกิดขึ้นที่กายที่ใจเรานี่ถ้าเราไม่รู้ความเทศความจริงเป็นอย่างไรเราก็จะมีแต่ทุกข์แต่ทุกข์แต่ทุกข์มีแต่หลงมีแต่หลงจนความหนาว ก็จะทุกใจไปอีกตอนหนาวก็ทุกใจมันก็หนาวเพิ่มขึ้นตอนหนาวเป็นเรื่องของรูปของกายส่วนจิตใจยังปกติอยู่ความหนาวก็ทำอะไรให้เราไม่ได้แต่ท่านหนาว ไปถึงใจหนาวสองทางทั้งกายทั้งใจแล้วก็จนหมดประเทศวางประเทศหนาวกว่าวนี้มากจนเช้าเนี่ยต้องระต้องขุดน้ำแข็งออกจากหน้าวัด แต่ไม่เอาน้าแข็งออกรถที่มาส่งอาหารมาไม่ได้ต้องพากันกู้น้าแข็งออกแต่กันหัดไหนทั้งหนาก็หนาทั้งไปเกยบน้ำแข็งอีกเคยกู้น้ำแข็งไหม ยืนก็ยืนไม่อยู่ลื่นแรงก็ไม่มีออกแรงที่ใด้ก็ลื่นใจตั้งล่มลุกกุกคานแล้วก็อยู่กันได้สนุกสนานดี อะไรที่เหมืนอนเกี่ยวกับภายนอกก็เกี่ยวกับขวายกับใจเราทั้งหมดรูปโลกน้ำโลกโล ก, โลกคือท้องฟ้าอากาศโลกคือลูกนี่โลกคือน้ำคือจิตใจนี่อดีจิตใจก็เป็นอุปทานเป็นรูกเป็นหนึ่ง อุปทายรลูกเป็นรูปซ่อนขึ้นมาเป็นความสุขกงทุกเพราะภายนอกกระทบกับภายในเป็นทุกข์เป็นสุขเกียวว่าอุปทายรลูกถ้าเราไม่รู้มันก็เพี้ยนไปเยอะแยะตายเป็นที่ กายใจนี่เป็นที่ตั้งทุกข์ความสุขความทุกข์ไปหรือตั้งของความแก่ความเจ็บ ค, ความตายไปจงทั้งที่มันดีอยู่แล้วมันก็ซ่อนเข้าไปอีกควาตายตายแล้วตายอีกความเจ็บเจ็บแล้วเจ็อีกแก่แล้วแก อ, อีกทุกข์แล้วทุกอีกจนทั้งที่เป็นธรรมชาติจะิังออกวมาเป็นสุขเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่รู้นะถ้าเรารู้ก็จบลงไปแล้วเห็นตั้งแต่นานแล้วความสุขความทุกข์ที่เกิดกับรูปกบ น, น, น้ํานี่เหนนานแล้วรู้แล้วก็หนดรู้ได้แล้วรู้แจ้งแล้วเอาวางไว้นั่นแล้วถ้าเราศึกษามาจะ จะจบลงเป็นความทุกข์ก็จบลงได้ความโกรธความโลภความหลงขอ ง, ของมงอง เ, เจ็บเจบตายก็จบลงแล้วมีแต่ชีวิตตามปกติตามธรรมชาติใช้ธรรมชาติสู่ธรรมชาติมันก็มีแต่ธรรมชาติในตัวนอกตัวนี่คือคนเรา ถ้าเราไม่ศึกษามันก็เป็นพบเป็นภูมิต่างๆที่เรว่าคนเนี่ยจะเป็นต้องศึกษาเรื่องธรรมะไม่จะไม่ศึกษาไม่ได้จนจนต่อหลาอย่างความเกิดความใจความเจ็บความตายความโกรธโลภหลงทุกข์โศกอะไรต่างๆ เอามาเป็นความจนทุกข์ที่ใดก็ทุกข์ที่ น, นั่นจนในความทุกข์ไม่มีความไม่ทุกข์ตรงท่านนี้มันมีอยู่เราจึงต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้เรื่องนี้แล้ามารู้ก็ไปไกลเราคนเนี่ยเหมัอนปอนไปหลายอย่างมีภพมีภูมิ วงของคนเนี่ยไปทางต่ําๆไปชัวร์บายจะเลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นภูิมนุษย์จะไปสูงสักหน่อยไป ส, สู่สวรค์สุคติสวรรค์หกชั้นมนุษย์เท่านั้นแล้วก็เป็นได้ไม่หลงสวรรค์หกชั้นก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น พระได้ในภูมิอยู่ของคนแบง่งภูมิไปสอมภูมิกลามาว่าจรภูมิเรียกว่าคนเราที่เกี่ยวกับโลกมีรสชาติแห่งโลกในรูปในรสในกินในเฉียงในสัมปในอารม เดี๋ยวว่ากามาวาจรภูงผู้บริโภคเัืงสุขเัืงทุกข์อะไรก็ามาเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกก็บริโภคสุขก็บริโภคกามก็บริโภคลูกลดกลินเฉียงนี่ว่ากามาวาจรภนงเนี่เราไม่รู้ก็ก็คองอยู่ตรงนี้ รูปาวจวงภูมิอีกภูมิหนึ่งที่เลื่อนตระหนักขึ้นไปผู้ที่มีฌานปฏิบัติเป็นฌ า, น, านได้ฌานเช่นใดชช่นหนึ่งเรียกว่ารูปาวรูปเรียกวากามาวจวภูมิรูปาวจวงภูมิสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาจิตใจได้พมพมมี1ิบหกชั้นอของความแลงของสติปัญญาผ่านจากกามาวาจรภูมมไปในชีวิตของเรานี่อีกพรมหนึ่งรีวยว่าอาลูปาอาลูพม ที่ไม่มีลูกไม่ติดลูกติดในยานในชานรสชาติของชานของยานของชานมันมีรสชาติกว่าพวกที่บริโภคกามเองนันมีรสชาติอีกแบบหนึ่ง ติดในฌานในย่านในฌานมนต้องปฏิโภครูปรถกินเสียงมีความอิ่มมีความจุมีความไม่มีอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์เหนือก็ไปติดอยู่ที่นี่อีกตั้งแต่อา กาสะเดีว่าฌานสี่อากาสะมัจายจตนาอาจินจัญญาเจตนะเนวะสัญญาณะเนวะสัญญานาสัญญาเจตนะสี่สี่ชั้นเนี่ยเหมือนเราสาธยายพิสูจนในสมาธิฌานสมบัติติดอยู่ที่นี่เอง ก็ไปลงที่นี่อีกติดอยู่ในอรูปฌานนี่เราต้องวางอีกทีหนึ่งละสุขเราทุกข์หมดเรื่องไปเลยเข้าสู่มรรคส่ผลนี่มันไม่หมายไม่ได้หมายถึงว่านานเหลือเกินกว่าจะได้อนู่นนี้ถึงอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่มีสติปัญญามันก็ลวดไปเลย <c oughs> ก็เห็นไปเลยเห็นไม่เป็นไปเลยบางทีเราก็ไปคล่องไปติดอยู่ไม่แต่ผิดก็ยังติดอยู่ถูกก็ยังติดอยู่หลงก็ยังติดอยู่ลู้ก็ยังติดอยู่สงบก็ยังติดอยู่ผู้ซ่านก็ยังติดอยู่เอาเป็นเครื่องขวงกั้นอยู่เพราะอะไรเพราะสติไม่มีกําลังพอวิธีปฏิบัติจึงต้องมีสติ เท่านั้นที่เป็นจริงเบิกทางเหมือ น, นกับจิตที่มือนกมีหนังสือเดินทางไปทั่วโลกก็มีหนังสือเดินทางก็เข้าทุกประเทศได้มีวีซ่ามีพาสปอร์ตแต่นั่นเป็นวัตถุอ้างอิงแต่ใ น, นธรรมะใ น, นต้องมีสติไม่ได้ชื่อได้หาไม่ได้ขอไม่ได้มีอะไร คนอื่นให้สิทธิไม่ใช่อย่างนั้นสิทธิมันมีเองเวลามันหลงเรามีสิทธิไม่หลงเวลามันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์อะไรก็ต้อมีสิทธิในชอบธรรมในความเป็นธรรมทุกทุกทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดในกายในใจเราลิ่ง เป็นความโกรธไม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรมจิที่อย่างนี้ควาทุกข์ไม่เป็นธรรมก็มไม่ทุกข์เป็นธรรมเรามีสติอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จนอยู่ตรงนี้เจ็บก็จตนต่ตความเจ็บแก่ก็จนโตความแก่ตายก็จน่อความตายเพราะไม่เคยเตินทางไม่เคยมีเกณฑ์ชีวัด ในความถูกต้องใช่ไม่เป็นยอมออกไปได้แม้แต่ความคิดก็ออกไม่ได้หยุดความคิดก็หยุดไม่เป็นเพราะไม่มีสติปัญญาหัญญาที่เกิดจากสตินั้นเป็นปัญญาพุทธะโลภลูนในกองสังขารกายสังขารกิจต่อสังขาร เวลาเราฝึกปฏิบัติท ร, รเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่นะมีสติเนึ่ ย, ชยใช้กายใช้ใยังมีอิทธิยังมีงมอำนาจนันชอบทำมีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจสามารถที่จะใช้สติได้ทุกรูปแบบ เราไม่เคยใช่สติไม่กํำหน ด, ดอะไรเลยเกิดมาเพราะไม่เคยฝึกหลงก็เป็นหลงล้อย <c oughs> เรื่องเันหลงเป็นอาสงไข่หลงก็ไม่รู้ทุกก็เป็นทุกเป็นเลยเกียรสงไขทุกก็ไม่รู้นับไม่ท้วนตัง้งทั้งที่มันมีจิตที่อยู่ไม่เคยฝึกตนสอนตน ต่องหัวเลาะต้อ ง, องอกกร้องไห้มันสุขก็หัวเลาะมันทุกข์ก็ร้องไห้ให้ความหวัวเลาะให้ความร้องไห้เป็นผลของความสุขความทุกข์แทน ท, ที่จะเกิดสติปัญญาได้ก็เป็นสุขเสียก็เป็นทุกข์ทุกโลกทุกถม ไม่อยู่เหนือโลกเราจึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้ชีวิตของเราถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้ไม่มีค่าเลยเลยเพราะว่ามันมีรูปมีนามมีกายมีใจรูปนา ม, มกายใจนี่ก็มี จึงเกี่ยวข้องกับจังกอื่นมีตามีหูมีจมูกดิ้นเป็นวัตถุอาการที่ทำให้เกิดขดดีกมากมายมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์ใจก็มีอารมณ์เป็นคู่หูก็มีเสียงเป็นคู่จมูกก็มีกลิ่นเป็นคู่ดิ้นก็มีรสเป็นคู่ หกอย่างนี่ถ้าเราไม่มีจิติจก็หลงเสียผู้เชื่อคนโดยเพราะหลงมาที่ปุ้ยอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจเอาขวังโกรธเป็นใจก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นใจก็มีถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมมันหลงมากขนาดนั้น ทุกก็ยังทุกขทั้งที่ไม่มีอิจฉาเลยในเวาทุกข์มืดตรงนี้เยอะแยะเลยเรืมหลงที่หลงมากที่สุดคือจิตใจที่มันคู่กับบาลมไม่มีสติเป็นผู้ดูแลเรื่อง จ, จิตใจปล่อยจิตใจทิ้ง ให้อารมณ์มาย้อมจนเปื้อนไปหมดเลยเปเื้อนไปหมดเลยใจดีๆบริสุทธิ์มาแต่เดิมเปื้อนไปด้วยอารมณ์ต่างๆอย่าว่าสิ่งที่ทำไมเศร้าหมองหรือว่าคิดเหลวเพื่อทาให้สิงไม่จิตใจเศร้าหมองแต่ก่อนให้จิตประพัดสอนผ่องสใสอยู่เสมอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ แต่อุปจิเลมันจรนมาทำให้จิตใจเศร้าหมองความโกรธไม่ใช่ใจความทุกข์ไม่ใช่ใจความรักความเกลียดชังไม่ใช่ใจเป็นอารมณ์ถึงจรนมาแล้วก็เป็นใจที่เถื่อนอะไรเอาไปก็ได้ไม่ค่อยดูแลจิตใจไม่ค่อยดูแลากาย อันเดีก็ใช่กายผิดประเภทใช่จิตใจผิดประเภทไม่้าเงินใจก็พึ่งใจไม่ได้คุ้มลอยคุ้มดีมัน่นใจตัวเองอันตรายแล้วจึงมาะปฏิบัติธรรมนี่มันจำเป็นมากๆแลเลยทีเดียว ว่าเรามีชีวิตที่หนึ่งวันสองวันสามวันไปเรื่อยมีอดีตมีอนาคตที่ซึมซับที่ติดได้มันติดไรมายุาบงนี้ติดอะไรจะวงนี้เลยกูดอะไรออก นทีนี้วินาทีนี้มันมีการมีเวลามันก็กลืนเข้าไปแค่โมงนี้มันติดมันก็มีขน้นหน้าอีกก็ติดไปอีกตั้งแต่วินาทีนี้มันไปเรื่อยมันไม่ได้ไปเฉยเฉยเอาอะไรมาด้วย มันจินเราไปด้วยแกไปด้วยไหลไปเรื่อยเราไม่เคยใช่ให้เกิดอะไรขึ้นมาใหม่ตั้งต้นใหม่ไม่มีปัจจุบันเฉพาะหน้าสติมันจะอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าปัจจุบันนั้นจะโยธรร ม, มังตัดสตัตวิปัสติอาศังหิลังอาศังกุ ป, ปังตังเวทามนุปโภเย ผู้ใดเห็นดำเกิดขึ้นเฉพ่าะหน้าทําให้แฉมแจ้งไม่งอเงีค้อนแขนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นดั้นไว้เขาไมไ่เคยได้พ่อคุณเลยอาการเกิดขึ้นเฉพ่าะหน้าอย่างแฉมแจ้งไม่ทําให้แฉมแจ้งไม่ทําให้หลงหนาทีนี่ก็หลงวินาทีนี่ก็หลงไม่แฉมแจ้ง เวลาเราฝึกกับมัณฑนเ น, นี่ยมันเป็นคู่มือที่ดีที่สุดเลยกรรมฐานแบบสังมัชยะบ พ, พะเอากายเป็นการเคลื่อนไหวเรียกว่าสังมชัชยะบ พ, พะก็เห็นกิตที่มันเคลื่อนไหวเห็นทั้งหมดเหมือนมีชัยพวงที่ดีโย่มเห็นก็จดได้ทั้งหมด มีสติเห็นกาย บ, บพะเอากายมากําหนดลู่โดยการลู่ตั้งไว้มันมีจริงๆกายนี่เอามาเป็นเครื่องกําหนดลู่เป็นที่ตั้งขุมลู่ทําได้ทุกคนมีกายทุกคนมีมือมีแขนมีขาทุกคนกําหนดลู่โดยการลู่ถ้าไม่กําหนดลู่โดยอริยวับพะก็าหายใจมันนี่ก็เป็น อานามบพะได้แม้แต่ความคิดก็เป็นความรู้ได้จับมาเป็นความรู้ได้ตังไม่มีตัวมีตนแล้วก็ฝึกออกมาเป็นความรู้ได้ถ้ามีสติใช่ความคิดเป็นความรู้ถ้าไม่มีสติใช่ความคิ ด, ดเป็ น, นความหลงหลงเป็นความคิดลอยเรื่องพันหยางสุกทุกประความคิดให้ความคิดเป็น อำนาจยังบงหารความสุขความทุกข์ตอนเราไม่มีสตินะมันจําเป็นต้องฝึกสติสตินี้ต้องฝึกเอาเองต้องประกอบเอาเองผู้อื่นสอนให้ไปได้ตัวใครตัวมันชื่อหากันมาได้ขอกันมาได้แบ่งกันกันมาได้นี่คือสัจธรรม มนเหมือนวัตถุจริงของที่แบงกันอันนั่นโจรผู้ร้ายลักได้อะไรก็เสียหายได้แต่ว่าสติที่มันเกิดกับการฝึกเองนี่มันไม่มีโจรลักไม่ได้นะอะไรก็เสียหายไม่ได้มันติดอยู่แล้วตีกล่าวที่ใจนั่นเองกายอยู่ไหนสติอยู่นั่นใจอยู่ไหนสติอยู่นั่นกายไม่มีอาการอะไรมีสติอยู่นั่นกีใจมีอาการอะไรบ้างมีสติอยู่นั่น เป็นใหญ่ไปเลยเอาไปเอามาถ้าฝึกแล้วก็เป็นนิเจสติเี่ว่าสติเป็นหน้าโลกเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นตาไปเลยตาในไปเลยสติเป็นดวงตาภายในไปเลยไม่เหมือนตาเนื้อเป็นผู้มีหน้าโลกไปเลยเหมือนพระอรหันต์พระขีณาสพก็มีสติเป็นหน้าโลกมีสติเป็นวิใน มีสติเป็นแบบฉบับมีสติเป็นทั้งแห่งปัญญาไปเลยพัฒนาอะไรก็ได้ดีไปหมดถ้ามีสติอยู่ในกายในใจแล้วไม่ใช่รัดทำกนวนไม่ใช่กดหมายไม่ใช่ระเบียบกดเกณฑ์ทหารตำรวจคุกตลางถ้าไม่มีในคนแล้วมันก็เอาไมา่อยู่ พัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาที่ขายที่ใจที่คนนี่ที่สติในกายนี้ใจนี่ไม่แต่คิดมันก็รู้วันจะประทําบาปทํากรรมได้ยังไงหลักมันอยู่ที่นี่หลักพัฒนาที่คบฝังย้อนอยู่ที่กายที่ใจนี่มีสติเล่านั้นที่รู้เมื่อใชจกชาชถูกก็ถูกไปหมด แต่ถ้าเราทุกคนมีชะดีก็เป็นคนคนเดียวกันหมดเหมือนคนคนเดียวคนหมดกําลังเลาะชั่วกําลังทําดีอยู่มันก็พึ่งอาศัยกันได้แต่ถ้ามีชะดีก็เป็นคนละคนกันไปแม้แต่ตัวเขาก็พึ่งตัวของไปได้มีปัญหาเยอะแยะความลักก็กลายเป็นกวามเหยียดชัง เห็นค่ากันได้พระความลังเพราะอะไรเพราะความลังเป็นผลของความหลงความทุกข์เป็นผลของความหลงความจกเป็นผลของความหลงความโกรธโลภหลงเป็นผลของความหลงความหลงเป็นมันดาของอกุศลเป็นจิงที่ลายที่จุดเกิดอะไก็ได้ แลหลงเหลือไปไกลเป็นเปรตเป็นสุลกายเร็นนกเป็นไรฉานไปทางต่ำๆถ้ารู้ก็ไปสูงๆเป็นมนุษย์เป็นเสาผนเป็นเทวดาเป็นพระเป็นพรหมเป็นพรหมเป็นพระแมือกับภูมที่แบ่งชาติกันไว้เรามีสิทธิเรื่องนี้ทําไมจะทําให้เฉลี่ยชาติที่เกิดมา มีหลักธรรมมีหลักศาสนามีวิธีปฏิบัติที่หาได้ไม่ยากไม่ต้องซื้อต้องหาประเทศไทยศาสนาแบบไทยๆวัดว่าลามแบบไทยๆพระสงฆ์แบบไทยๆปรฏิปนีแบบไทยๆแตาคนไทยไม่รู้ เรื่องมรรคตงผลไม่รู้ว่าชาติใดจะรู้เรื่องนี้เราจึงต้องเป็นหรือว่าโอกาสโอกาสมีมแล้วมีและมากที่สุดโอกาสของคนใดเด้เรื่องมรรคตงผลเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจนี่มีเพื่อนมีมิตรมีคําสอนมีแต่เรื่องดีๆสัพสูตรที่ เราสา้ยายพิธีกรรมต่างๆสาแิตพิธีก็หล่อหลอมแล ะ, ะเบียบไว้ไหนก็หล่อหลอมวัฒนธรรมแบบนี้ก็หล่อหลอมรามาถึงน่านใจก็มีบางทีจุดตินนังจุดตีนหลังจนมีน่านใจออกมาเป็นเลือดเป็นเนื้อของพวกเรา น้ำใจของคนไทยปะเพนีของคนไทยมากลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเรามาเป็นชีวิตของเรามาเป็นวัดวารามที่หัวใสอาหารการกินเครื่องนุ่งหม่มมาจากใจิตใจของคนประเพนีของคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยน้องต่อไปมาแล้วชิบเกตประเทศแล้วประเทศไทยนี้น่าอยู่ที่จุด จะทำมดีที่นี่ดีที่นี่เหมือนแบบอยู่ที่ไหนลักแผ่นดินนี่ลักหนกักลักแผ่นดินประเทศไทยเนี่หนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมากกออยู่กันได้อฉลิลาได้ยัง เวียดนามทำงานปฏิบัติอยู่ตรงนี้กับนนนมากๆรัฐ้บาลเขาไม่ให้อยู่แบบนี้เพราะว่ามันไม่พัฒนาประเทศต้องไปทา ง, งานทำการประเทศไทยเราเป็นอู่ข้าวอูน่น้ำ เป็นแหล่งอาหารของโลกก็ว่าได้ส่งข้าวออกที่สุดในโลกสุดยอดแล้วพวกเราสุดยอดของชีวิตที่เกิดมาอยู่ประเทศไทยสุดยอดของชีวิตที่ได้มีธรรมะมีศาสนามีปะเพณีมีวัฒนธรรมประเณีที่เราได้ที่เราจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเรา อยู่วัดปาลามเนี่ก็ <c oughs> ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยิ่งงดงามก็นึินก็ช่วยเหลือก็มีสิทธิตั้งแต่วินาทีนี้หลงมีสิทธิไม่หลงมีสิทธิจะรู้ได้อย่าเบียดเบียนกันจะทำให้กันหลงเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเรื่องนี้ ยิ่งเราปฏิบัติได้อารมณ์ของกรรมาฐานได้เห็นรูปเห็นน้ำเห็นรูปทำน้ำทำเห็นรูปมันทำดีเห็นรูปมันทำชั่วมีสติได้เห็นได้ใช่รูปทำความดีได้ใช่น้ำทำความดีได้ใช่รูปล้อความชั่วได้ใช่นา้ำล้อความชั่วเกิดความดีได้ทําให้จิตบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ เห็นลูกมันทุกข์เห็นนามมันทุกข์ก็ได้กระตือล้นช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนอมสิ่งใดที่มันทุกข์สิ่งใดที่มันเป็นทุกข์โดยเห็นไม่มีตรงไหนปิดบงังคําว่าทุกข์นี้โชว์ที่สุดทุกข์นีหลายอย่างสภา ว, ว่าทุกข์ตามธรรมชาติต้องหายใจต้องร้อนต้องหนาวต้องเดินต้องเดินต้องนอนนี่เป็นทุกข์ธรรมชาติกําหนดลูกดยก่อนลูก ไม่เอามาเป็นทุกนี่คือกำหนดรูดเดือนรูดรูดแล้วรูดแล้วเยี่ยงแล้วโูดเก่าแล้วขัดออกแล้วลูกทุกน้ําทุกทุกบางอย่างต้องบันเทาในรูปในน้ำนี่ในรูปนี้เหีวข้าวก็ต้องกินข้าวบันเทาช่อมได้แค่นี้ไม่เอามาเป็นทุกใจต่อให้เป็นทุก ทุกปอยจบแล้วกินข้าวก็บรรเทาได้แต่ไม่แก้แก้ไม่ได้ทอนชาก็กินตอนกลางวันก็กิน้น ต, ตอนเย็นหยุดซะกินข้าวนะสุขภาพจะได้ดีหยุดตอาหารตอนเย็ น, นยจะดีมากถ้าหนาวก็ห่มผ้าห่มผ้ามีผ้าห่ม วันนี้ก็ว่าจะขอเสื้อหนาวอยู่ที่นี่ที่เหลือชชยเยอะแยะมีพระหมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านขุดงงหนึ่งเอาไปแจกที่บ้างก็ดีแบ่งกันก็ดีอย่าเจ็บไว้เจ็บไว้นานก็เสียมีมากไหมเหลือชายที่นี่มีศรัทธาสุตินังมาออกรกันหนาวหมวกกนหนาว อะไที่มันเหลือใช้ขอขอซมไหนจะไปแจ ก, กที่นี่ก็เคยไปแจ ก, กหลายวันแล้วที่นี่พาเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เอาไปแจ ก, กไปแบ่งกันบ้างเข้าสารบ้างไปแบ่งกันบ้างก็ดีไปสนับสนุนก็นดีนี่ทุกคนที่จะวจะช่วยกันได้ ันทุกที่เป็นทุกที่จะต้องชั่วยตัวเองคือความโกรธกัไม่ได้นี่ตรงเลาะทุกแบบไม่ตรงเลาะหลงก็ต้องเลาะโกรธก็ต้องเลาะเนี่ยนี่สตินี่เลาะความโกรธเป็นความรู้มันโกรธเป็นความรู้จะมันทุกขก์รู้จ้ะลาะความทุกขก์ แล้วความโกรธแล้วความทุกข์แล้วไม่ยากเหงื่อไม่ออกทําใจไม่ไม่ยากเหมือนไล่ ย, ยุงมันง่ายง่ายทำได้อย่างเนี้ยแล้ว ย, ยุงย่างยากขวดต้องมีมือต้องมีผ้าไปปัดไปวีอันไล่ความโกรธความทุกข์นี่นั่งอยู่ยิ้มยิ้มก็หมีไปแล้ว หัวล่อความทุกข์อะไหวกันไว้ที่สุดเลยหัวร่อคของโกรธเจ้าหนี้ก็โกรธหรือบ้าได้เนี่ยนั่งว่าอย่างนี้ไหนใจเป็นพ่อคนแม่คนแล้วยังโกรธหรือเนี่ยวันที่โกรธให้ลูกได้อน้อยโอ้โหแค่นี้หรือเป็นพ่อคนนะแค่รือเป็นผัวเป็นเมียคนเชค่นี้เป็นลูกคนเนอะ พี่เป็นน้องกันทำลายเช่ไหมจะพึ่งบ่จะก็ได้อย่างไรตอมตามคนโทรธหรื อ, อตามอย่างนี้แป๊บเดียวลดนิ้วมือเดียวเนยทำไมจึงต้องไปรับใช่มัน ต, มต้องโกดตตามตามก็โกรธเสียผู้เสียคนเจ็ดท่ากันตายตาทะเลาะกันข้ามบ้านก็หมือนไม่อา <c oughs> ่อยเสียดาย ทกอย่างนี่ต้องละเมื่อเห็นอย่างนี้ลหรอโอ้ทุกคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงพี่ถึงนอ้องคิดล็อกอะไระต่างสองโกรธกลายเป็นความล็อกความเมตตาเห็นเหรอโกรธเราละความโกรธได้เกิดเมตตากำลังสงสานขึ้นมาแทนโงกงำมัด่างทำขึ้นมาจะยังไงมันละได้อย่างนี้ หรือมีมากขกินเราจึงต้องฝึกต้องสอนตนเองบ้างไม่ไมีประโยชน์ทุกเน่ยรูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกโอ้มันมีโลกนะรูปเนี่ยความหนาวก็เป็นโลกวันหนึ่งความร้อนเป็นโลกวันหนึ่งรูปหลายโลก ใช้ผิดก็เกิดโรคกันมากลายเป็นโลกซ่อนๆเป็นโลกมันเร็งเป็นโลกปอดโรคเป็นเราก็เป็นโลกตาโรคปุ๋ยก็เป็นโลกปอด อ, อ๋อใครทําให้นี่แต่ตัวเองทําให้ตัวเองอะหลังจากใช้รูปใช่นามำจิตเนี่ยจึงจําเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องปฏิบัติทำกันแล้ว เหมืนเจอทุกวันมันตายทุกวันก็ว่าได้ผู้นี้มีไหมอาศัยผู้นี้หรือไม่ใช่เลยมีแต่มันทําอะไรไม่ได้ผูน้นี้มันทําได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อะไรเกิดขึ้นในมีสติวินาทีนี้นี่คือมีค่าชีวิตตีมีค่าเอามาทําความดี เอามือมากำหนดรูห้กยกำหนดรูห้ยใจเข้ากำหนดรูลิบตาอะไรไหายรูห้มีความรูเป็นเกณฑ์ชี้วัดเข้าไปลโลกนามโลกหลายอย่างโลกสังขานโลกเกับเป็นผ้าเป็นนาการโลกเดี๋ยวนี้มีมากโลก เดี๋วยวค่าเดี๋ยวเผยพ้นโลกโลกนหนึ่งโลกที่เกิดอยู่กับกายกับใจเองตรงหม่ยเที่ยงความเป็นทุกข์คงไปให้ตัวตนนี้เป็นโลกของกายของใจโลกที่เกิดจากดินฟ้าอากาศจีแวดล้อมยิ่งล่าเดี๋ยวนี้แผ่นนินก็มีโลกเม่น้ําก็มีโลกอากาศก็เป็นโลกอาหารก็มีโลกต้องระมัดระวังแล้วมัวโผล่มากไปได้เห็นใจอยู่ใจกินไม่ได้ นบรู้จักเลือกสำมรวมลงมาเราไม่ระวังให้มากกว่าเก่า้าไม่รัไม่ระวังเก่าไปกันมากแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะเดินไปไล่ไปนาก็มีแต่โรคเพราะเหลือที่ปัตสาสุขโตนี้ไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีแผ่นดินดี้นอนลงไป น้ำในสระนี่ไหลลงจ า, ากที่นี่แต่กันล้างแกดูดน้ำบาดาลที่เจลึกลงไปเก็บแปดสิบเม็ดทานสนามแม่เหล็กโคตรตงี้นั่นน้ำดีกันล้างแกต่อสายไปไปสูบน้ำบ่อกจา น, านาทุ่มทาหัวน้ำสูงสูบขึ้นน้ำที่ไหลามาถึงสระสลุยเลย เพราะอะไรเพราะต้องการให้คนได้สะดวกในการใช้ชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเขาจะได้เป็นคนดีเมื่อเขาเป็นคนดีก็โลกนี้ก็พึ่งได้พวกเราก็พึ่งได้เราดีคนเดียวไม่พอต้องหมอชวนกันดีนี่คือปฏิบัติธรรม จะอะไรเอกเกิดมานี่อะไรก็มีแล้วพร้อมแล้วสุขภาพก็พอมีหรือเมื่อแก่เมื่อเท่าไปอยู่ในห้องไอซอยู่แล้วไปบอกไปสอนที่นั่นมันเองเต็มทีแล้วเวลามันมีชีวิตอยู่นี้ก็มากันห่วงอะไรมากมายเรื่องลูกก็โตแล้วเรื่องหลานเรื่องเด่นไป ก, ก็ยิ่งผูกมัดเข้าไป วางซวางใจไม่เสียหายแต่ว่าอย่าทอดทิ้งกันไม่ต้องทิ้งให้วางใจปล่อยวางวางใจสู่ปกติวางใจสู่ปกติวางเป็นไหมวางใจสู่ปกติกตอย่าให้มันผิดปกติปกติคือบ้านของ จ, จิตใจวางใจะใจะจะได้สู่ปกติสู่บ้าน วางใจจิตจะมีบ้านอยู่ถ้าประยึดตันยึดนี่อ่าจนเนาะจนจนมากเลยใจจนนะจนจใจจนใจจนใจอราเลยก็หิ้วไปได้เป็นโสเป็นนี้จิตซ้ำสอนเขาหิ้วไปไหนก็ได้แต่ว่าไม่มีศักดิ์ศรีคนไม่มีสติคนนั้นไม่มีศักดิ์ศรีอ่าพับแบบจนเขาหอบิ้วไปไหนก็ได้ À, có một chuyện r ồ này n sống của anh chị bây l i